ทรงแสดงอนุภาพของอิทิบาสีประการอานน์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเขตกรุงราชครืน้ณะที่นั้นแลเรียกเธอมากล่าวว่าอานนท์กรุงราชครื้น่ารื่นรมภูเขาคิจกูดน่ารื่นรมอิทิบาสีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานแล้วทําให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้ว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 ถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจะห้ามเธอเพียงสองครั้งพอครั้งที่สตถาคตจะรับนิมนต์เหตุนั้นแหละอานน์เรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธออานน์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคตมะนิโครธเขตกรุงราชครึและถึงเราอยู่ที่เหวทิ้งโจรเขตกรุงราชครึก เราอยู่ที่ถ้ำสัตบัญข้างภูเขาเวพาระเขตกรุงราชครืเราอยู่ที่กาลาศิลาข้างภูเขาอิสิขิลิเขตกรุงราชครืเราอยู่ที่เงื้อสัพป์โสณทิกะในศีตะวันเขตกรุงราชครืเราอยู่ที่ตาโปทารามเขตกรุงราชครื้เราอยู่ที่เวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแต เขตกรุงราชครื้เราอยู่ที่ชีวกรรมพวันเขตกรุงราชครืเราอยู่ที่มัตตคุจิมรุกทายวันเขตกรุงราชครืณที่นั้นแลเราได้เรียกเธอมากล่าวว่าอาน o ์กรุงราชครืน่ารื่นรมภูเขาขี้จกรูดน่ารื่นรมโคตามานิโครธน่ารื่นรมเหวทิ้งโจร น, น่ารื่นรม ถ้ำสัตบัญัตข้างภูเขาเวพาระน่ารื่นรมการละศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิน่ารื่นรมเหงื้อมสัปปโสณทิกะในศีตะวันน่ารื่นรมตโปทารามน่ารื่นรมเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตน่ารื่นรมชีวกรรมพวันน่ารื่นรมมัทธกุชิมรกขายวันน่ารื่นรมอานนท์ อิทิบาสีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทําให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีผู้นั้นเมื่อมุ่งหวงังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิธิบาสีตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั odles, ้งมั poorly, ่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้ว ตถาโคตเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกลับหรือเกินกว่าหนึ่งกลับเมื่อตถาโคตทำนิมิต ท, ที่ชัดแจ้งทำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้เธอก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกลับขอพระสุขคตโปรดดำรงพระชนม์ชีพอยู่ต่อไปตลอดกลับเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก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 เราอยู่ที่สารันธเจดีเขตกรุงเวสาลีเราอยู่ที่ปาวาลเจดีวันนี้เมื่อกี้เองณนะปาวาลเจดีเราได้เรียกเธอมากล่าวว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรมพระหุปุตตะเจดีน่ารื่นรม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 อานนท์เราเคยบอกเธอไว้ก่อนไม่ใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นจงอย่าแตกสลายไปเลย ตถาคตสละคลายปล่อยละวางสิ่งนั้นได้แล้วปรงอายุสังขารแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวไว้ว่าอีกไม่นานการปรินิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานเป็นวาจาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะกลับคืนคำเพราะต้องการมีอายุอยู่ต่อไปมาเถิดอาน o ์ เราจะเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันกันท่านพระอานนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยท่านพระอานนท์เสด็จเข้าไปยังกูตาคารสาลาป่ามหาวันแล้วจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าไปเถิดอานนท์เธอจงไปนิมนต์ให้ภิกษุเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีมาประชุมกันณนะหอฉัน ท่านพระอานนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วจึงนิมนต์ภิกษุทุกรูปเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีมาประชุมกันณนะหอฉันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาตแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปหนาหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาตที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงเรียนเสพเจริญทาให้มากด้วยดี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 หพละห6โพชงเจ็เจอริยมรตมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงเรียนเสพเจริญทําให้มากด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจรรย์ น, นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นานดํารงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเครือกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังเวชนียธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชจากนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท อ, อีกไม่นานการปรินิพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานพระผู้มีพระภาคผู้สุคตาสดา ได้ตรัสเวยากรณภาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่โง่ฉลาดมั่งมีและยากจนล้วนต้องตายชีวิตของสัตว์เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างสุขบ้างดิบบ้างซึ่งล้วนมีความแตกสลายเป็นที่สุดพระสุโคศาสดาได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า วัยของเราแก่งอมชีวิตของเราเหลือน้อยเราจะจากพวกเธอไปเราทำที่พึ่งแก่ตนแล้วพวกเธอจงยาประมาทมีสติมีศีลบริสุทธิ์มีความดําริมั่นคงดีรักษาจิตของตนไว้ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้และการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจากทําที่สุดแห่งทุกได้พาณวาระที่สามจบ การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมองครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินทบาทเมื่อเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมองรับสั่งเรียกท่านพระ อ, อนนทมาตรัสว่าอานนท เห็นกรุงเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคตมาเถิดอาน o ์เราจะเข้าไปยังพันธุคามกันท่านพระอาน o n ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงพันธุคามประทับอยู่ที่พันธุคามนั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสีลเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยะปัญญาเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยะวิมุตติเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย เราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลเราและเธอทั้งหลายได้ aky, รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราและเธอทั้งหลายทอนภาวะตัณหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก พระผู้มีพระภาคผู้สุคตาศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิสนี้แล้วจึงได้ตรัสคะถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมทมเหล่านี้พระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่พิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระาศาสดาทรงทำที่สุดแห่งทุกมีพระจักสุปรินิพานแล้ว ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่พันทุคามทรงแสดงธรรมมีคะถาเป็นอันมากแก่พิสุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงมากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงมาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชาสวะมะหาประเทศ4ี่ประการข้ออ้างที่สำคัญ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในพันทุคามแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์ one, เราจะเข้าไปยังหัตถีคามกันมาเถิดอานนท์ one, เราจะเข้าไปยังอัมพะคามกันมาเถิดอานนท์ one, เราจะเข้าไปยังชัมพ้คามกันมาเถิดอานนท์ one, เราจะเข้าไปยังโพคณนครกัน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 แล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้มิใช่พระดํารัตของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่หนึ่งนี้ไว้ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาว่าชื่นโ น, นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยป่าโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่า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 นี้ไม่ใช่พระดํารัสของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและสงนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคํานั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดํารัสของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและสงนั้นรับมาได้ดีเธอทั้งหลายพึงจํามหาประเทศประการที่สองนี้ไว้ มภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาว่าชื่อโนนมีภิกษุผู้เป็นพระเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สะดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุ์ศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม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 ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลรงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและพระเทระเหล่านั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สามนี้ไว้ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่นโ น, นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่ง เป็นผหูสูรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคากล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูรเทียบดูในวินัย ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัตของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและพระเทระรูปนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่า นี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแน่นอนและพระเทรรรูปนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สี่นี้ไว้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศสี่ประการนี้แลได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่อนันทเจดีในโพคเนครนทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า ศีล ม, มีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ i, น ป, นนนปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมา ก, ม, ม, ากมีอ น, นิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะ ภาวะสวะและอวิชาสวะเรื่องนายจุนทะกรมมารบุตรบุตรช่างทองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ตามความพอพระไทยในโพคณนครแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า มาเถิดอานน์เราจะเข้าไปยังกรุงปาวากันท่านพระอาโนนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงกรุงปาวาประทับอยู่ที่อำเพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรเขตกรุงปาวาเมื่อนายจุนทะกัมมารบุตรได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกรุงปาวาประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของเรา จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ในายจุนทะกรัรมมารบุตรเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้ากลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคะถาลำดับนั้นนายจุนทะกรัรมมารบุตรผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด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 เมื่อนายจุนทก ร, รมมารบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไปคร้นราตีนั้นผ่านไปนายจุนทก ร, รมมารบุตรได้เตรียมของขบชันอันปราณีตและสุขอนมถวะจำนวนเพียงพอไว้ในนิเวศของตนให้คนไปกราบทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่า ได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังนิเวศ ข, ของนายจุนทะก ร, รมารบุตรประทับนั่งบนพุทธอา ท, ที่ปูลาดไปแล้วรับสั่งเรียกนายจุนทะก ร, รมารบุตรมาตรัสว่าจุนทะท่านจงประเคนสูกรมทวะที่เตรียมไว้แก่เรา ประเค้นของขบชั้นอย่างอื่นที่เตรียมไว้แก่ภิกษุสงฆ์เขาทูลรับสนองพระดํารัสแล้วประเค้นสูกรมัทวะที่เตรียมไว้แด่พระผู้มีพระภาคประเค้นของขบชั้นอย่างอื่นที่เตรียมไว้แด่ภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกนายจุนทะกามารบุตรมาตรัสว่าจุนทะสูกรมัทวะที่เหลือเธอจงฝังลงในหลุม เรายังไม่เห็นใครในโลกพร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาหรือมนุษย์ที่บริโภคสูกรมัธวะนั้นแล้วจะย่อยได้ด้วยดีนอกจากตถาคตนายจุนทากมารบุตรทูนรับสนองพระดำรัสแล้วฟังสูกรมัธวะที่เหลือลงในหลุมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทน่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ในายจุนทะก ร, รมรบุตรเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรร ม, มีคถาแล้วทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จจากไปหลังจากพระผู้มีพระภาคเสวยพระกรยาหารของนายจุนทะก ร, รมรบุตรได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงลงพระบางคนหนักเป็นโลหิต ทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพานพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาเหล่านั้นไว้ไม่พรั่นพรึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังกรุงกุสินารากันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระปีชาสวยพระตาหารของนายจุนทะกรรมารบุตรแล้วทรงพระประชวนอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพานเมื่อพระศาสดาสวยสูกรมัทวะแล้วได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงลงพระบางคนหนักตรัสว่าเราจะไปยังกรุงกุสินารากัน สั่งขอน้ําดื่มต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหนึ่งรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยปูสังฆาติซ้อนกันสีชั้นเราเหน็ดเหนื่อยจะนั่งพักท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วปูสังฆาติซ้อนกันสีชั้นพระผู้มีพระภาคประทับบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูลาถวายไว้ รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยเป็นนาน้ําดื่มมาเรากระหายจะดื่มน้ําเมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มเพิ่งข้ามไปเมื่อกี้นี้น้ํานั้นมีน้อยถูกล็อกเวียนย่ําจนขุ่นเป็นตมไหลไป ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ำกากุธาอยู่ไม่ไกลแค่นี้เองมีน้ำใสเจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทรงดื่มและสงสนานพระวรกายในแม่น้ำกากุธานี้เถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนทมาตรัสว่าอานนทเธอช่วยไปนาน้ำเดิมมา เรากระหายจะดื่มน้ําแม้ครั้งที่สองท่านพระอานุนเลือกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มเพิ่งข้ามไปเมื่อกี้นี้น้ํานั้นมีน้อยถูกล็อกเกวียนย่ําจนขุ่นเป็นตมไหลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ํากกุธาอยู่ไม่ไกลแค่นี้เองมีน้ําใสจืดสนิทเย็นสะอาด มีท่าเทียบหน้ารื่นรมขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทรงดื่มและสงสนานพระวรกายในแม่น้ำกากุธานี้เถิดแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยเป็นนาน้ําดื่มมาเรากระหายจะดื่มน้ําท่านพระอานนท์จึงทูลรับสนองพระดํารัสแล้วถือบาตรเดินเข้าไปยังลําธารนั้น ขณะนั้นลำธาร น, นั้นมีน้ำน้อยถูกล้อเวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปแต่เมื่อท่านพระอานนท์เข้าไปใกล้ก็กลับใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปท่านพระอานนท์จึงคิดว่าน่าอาศรรัศจริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำธาร น, นี้มีน้ำน้อยถูกล้อเวียนย่ำขุนเป็นตมไหลไปเมื่อเราเข้ามาใกล้ ก็กลับใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปจึงใช้บาตรตักน้ำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรร์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเดี๋ยวนี้เองลำธาร น, นั้นมีน้ำน้อยถูกลอกเวียนย่ำจนขุนเป็นตมไหลไป เมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปใกล้ก็กลับใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปขอพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำเถิดขอพระสุโคสทรงดื่มน้ำเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำแล้ว